ชายคนหนึ่งพอถึงหน้าร้อนเนี่ยพ่อก็พาไปที่หมู่บ้านพลัมของท่านติทัตหันที่นั่นเนี่ยช่วงหน้าร้อนก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวเด็กชายคนนี้ก็เกิดไปมาก็ติดใจนะแล้วก็พอถึงฤ ด, ดูร้อนก็รบเร้าให้พ่อพาไป พ่อคงอจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าลูก่วนไปก็ไปหลายครั้งนะเวลาที่เด็กชาคนนี้เกิดตกล้มพ่อเนี่ยแทนที่จะมาอุ้มมาประคองเนี่ยก็กลับว่าลูกนะว่างีเง่านะพ่อนี่ว่าลูกด้วยความโกรธ ที่เห็นลูก่หกล้มอยู่บ่อยๆเด็กชายคนนี้เนี่ยแกก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างพ่อเด็กขาดคือไปถึงกระทั่งวันใน็ชาตัวเองมีลูกแล้วเกิดลูกเนี่ยเดินหรือวิ่งแล้วหกล้มตัวเองซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็จะไป ช่วยไปประคองลูกจะไม่ทําอย่างพ่อของตัวเองเด็กขาดอันนี้ก็เป็นว่าเป็นปฏิทัยนของเด็กคนนั้นเลยก็มีปีหนึ่งนะเด็กชาวคนนี้ก็ไปหมู่บ้านพรำกับน้องสาวนะน้องสาวก็ตัวเล็กในช่วงหนึ่งเด็กก็น้องสาวนี่ก็ไปเล่นกับเพื่อนก็ไป นั่งในเปลไปนอนในเปลไกวไปไกวเปลไปไกวยกวเปลมาบอกว่าเปลมันเกิดขาดตกลงมากระแทกพื้นน้องสาวก็ร้องไห้หัวเขาก็ทลอเด็กคนนี้พี่ชายเนี่ยพอเห็นเขาโ ก, กรธเลยนะโกรธน้องสาว แล้วเกือบจะด่ดาไว้แล้วนะว่าเนี่ยไอ้เงี้ยเงาทำไมหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้แต่ไม่ทันด่านะได้สติขึ้นมาเห็นความโกรธของตัวแล้วก็นึกได้นะถึงคำสอนของธรรมอาจารย์ที่นั่นเนี่ยมันบอกว่าเนี่ย เวลาโกรดนี่ก็ให้ออกมาเดินจงกรมนะให้มาตามลมหายใจใเด็กชายคนนี้ก็เลยเดินออกจากตรงนั้นไปเลยนังใจก็โกรธนะแต่ว่าก็ได้สติระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยตามลมหายใจ ก็ฉุดคิดขึ้นมานะว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือกำลังจะทำนี่นะมันมันไม่ต่างจากพ่อเลยนะเวลาตัวเองหกล้มพ่อก็ตะโกนด่า ว, ว่าตัวเองทำรองเด็กกันเวลาน้องสาวเนี่ยเกิดหกล้มหรือว่าเกิด อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเพราะความซุ่ทซ้มตัวเองก็เกือบจะทำอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่พ่อเคยทำกับตัวเด็กรู้เลยนะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะตัวเองได้ซึมซับรับเอาความโกรธ ของพ่อเนี่ยมาไว้กับตัวเองเรที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดสติเดี๋ยวก็เลยพยายามเจริญสติเพื่อรัรบความโกรธ เรื่องของเด็กคนนี้น่าสนใจนะเพราะว่าความตั้งใจว่าเมื่อโตขึ้นจะไม่เป็นอย่างพ่อแต่ละตัวเองจะไม่ทันจะโตเลยนะก็ทำเหมือนพ่อซะละ นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจะนวนไม่น้อยเหมือนกันนะอย่างหลายคนเนี่ยผู้ชายหลายคนเนี่ยเห็นพ่อทำร้ายแม่เห็นพ่อตบแม่เห็นพ่อใช้กำลังกับแม่หรือว่าดุดา่าด้วยเท่าคำหยาบคายกับแม่เนี่ยก็ไม่พอใจพ่อนะบางทีถึงขั้น เกรียดพ่อเลยแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อตัวเองโตขึ้นจะไม่เป็นอย่างพ่อจะไม่ทำร้ายภรรยาแต่พอตัวเองมีคู่ครองมีภรรยาถึางที่ทานี้ก็งที่ทำกับภรรยานี้ก็ไม่ต่างจากที่พ่อเคยทำกับแม่ มันก็แปลกนะเกลียดพ่อโกรธพ่อแต่ว่าก็เรียนแบบพ่อหรือว่าซึมซับรับเอานิสัยที่ไม่ดีของพ่อนะมาไว้กับตัวแล้วก็แสดงออกระบายใส่คนอื่นเหมือนกับเปียบเลยแล้วก็เชื่อนนยนะว่า ถ้าเขามีลูกเนี่ยแล้วลูกเห็นเขาทำกับแม่อย่างเงี้ยลูกก็คงคิดเหมือนกันนะมาท่นจะไม่ทำอย่างพ่อเด็กขาดแต่พอลูกโตขึ้นก็คงจะอีหลอดเดียวกันว้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมีแม่คนหนึ่งนะ ลูกก็อายุไม่เท่าไหร่นะลูกชายเนี่ยย่แค่สิบขวบตัวแม่กับลูกนี่ค่อนข้างเหินห่างกันวันหนึ่งก็พบว่าลูกเนี่ยถูกเพื่อนในโรงเรียนรังแกจนลูกนี่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยแต่แม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะที่รู้นี่เพราะว่า เพื่อนบ้านมาบอกพ่อเพื่อนบ้านนี้ก็มีลูกอยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวกับลูกชายของผู้หญิงคนนั้นพอแม่รู้เนี่ยว่าลูกนี่มีปัญหาที่โรงเรียนก็เสียใจนะว่าทำไมเนี่ยแม่ก็าทาไมลูกนี่ไม่บอกแม่เลยแล้วพอใครกลวนดูก็พบว่า ในความสัมพันธ์ของตัวเองกับลูกเนี่ยมันไม่ต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอ ง, เองเนี่กับพ่อสมัยที่ตัวเองยังยังเป็นเด็กก็เฮือดห่างกับพ่อเหมือนกันแล้วก็ไม่ชอบพ่อด้วยทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าพ่อนี่ชอบใช้อำนาจชอบดุชอบด่บดา ลูกสาวยังไม่มีเหตุผลบางอย่างตัวเองไม่ได้ทำก็พ่อก็ด่าว่าทำโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองชอบใช้อำนาจกับลูกสาวลูกสาวเลยไม่ชอบพ่อแล้วก็หืนห่างกับพ่อมาดูนี่ความสัมพันธ์ของตัวเองกับพ่อนี่เมื่อ30ปีก่อนหรือ20ปีก่อนนี่มัน ไม่ไม่ต่างจากความสมัครระหว่างตัวเองกับลูกตอนนี้เลยแล้วก็พบ ว, ว่าเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ชอบดุด่าลูกเหมือนกันชอบอใช้อํานาจกับลูกบังคับเคี่ยวเข็นลูกบางทีไม่มีเหตุผลด้วยเดินมาดูนี่ก็พบ ว, ว่า สิ่งที่เธอทกับลูกนี่มันก็ไม่ต่างจากที่พ่อทํากับเธอเลยนะตัวเธอไม่ชอบการกระทําของพ่อแต่ก็เอาการกระทํานั้นเนี่ยมาทํากับลูกนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะกับครอบครัวจำนวนไม่น้อยเลยสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันนะคือว่าความโกรธความเกลียด นะที่มีต่อพ่อหรือว่าต่อบุปการีมันก็แปลกนะเวลาคนเราเนี่เกิดความโกรธความเกลียดพ่อหรือใครก็ตามเนี่ยหรือแม่ก็ได้ไม่อยากจะเป็นอย่างพ่อหรือแม่แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำนี่ก็ไม่ต่างจาก ที่พ่อหรือแม่เคยทํากับตัวเลยหรือเคยทํากับคนอื่นมันก็จะเอาไว้ก็แปลกนะยิ่งไม่ชอบยิ่งโกรธยิ่งเกลียดใครเนี่ยโดวยเพราะคนใกล้ตัวนี้ก็ยิ่งซึมซับรับเอาก า, การกระทําที่ไม่ดีของคนคนนั้นนะมาไว้กับตัวแล้วก็ระบายใส่คนอื่นต่อแล้วจิตใจคนเรานี่มันก็มีความสามารถนะ ในการซึมซับรับเอาสิ่งไม่ดีจากคนอื่นไม่ใช่เพราะว่ารักไม่ใช่เพราะว่าเทิดทูนบูชานะแต่เพราะว่าไม่ชอบนให้ความโกรธความเกลียดนี่มันเหมือนกับมันเป็นถ้ามันเกิดขึ้นกับใจใครมันก็เหมือนกับเป็นเป็นสื่อเป็นสะพานที่ทาให้ให้ความโกรธ หรือนิสัยที่ไม่ดีของคนที่ตือนโกรธเกลียดเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจของเขาหรือพู้อย่างก็ได้เวลาเราโกรธเราเกลียดหรือมีความโกรธความเกลียดเนี่ยมันง่ายมากที่ใจเราเนี่ยมันจะซึมซับรับพลังลบจากคนรอบข้างรวมทั้งคนที่เราโกรธเราเกลียด เพราะว่าเวลาโกรธเวลาเกลียดเนี่ยมันความหลงนะมันก็คลองใจพอควารู้มันคลองใจเนี่ยไอการที่มันจะซึมซับรับเอาพลังลบจากคนนั้นคนนี้หรือว่าจากคนที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายาทั้งๆที่ตั้งใจว่าเนี่ยไม่อยากจะเป็นเหมือนเขาอย่างเด็กคนนั้นที่ตั้งใจว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อ แต่สุดท้ายนี่ก็ทำอย่างพ่อเลยอันนี้พ่ออะไรนะเพราะว่าความความโกรธความไม่พอใจพ่อมันเป็นสื่อเลยนะมันเป็นสื่อที่ทำให้พฤติกรรมที่ไม่ดีของพ่อเนี่ยมันถูกซึมซับรับเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นเขายังดีนะเขาเฉลียวใจ ก็มีสติสติมันทำให้เกิดความถูกคิดขึ้นมาหรือเกิดความเฉลียวมันเกิดความคามถามขึ้นม า, าเอ๊ะฉันเป็นอย่างพ่อได้ยังไงนะในเมื่อฉันไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเลยแต่ทาไมฉันลงเอยนี่เป็นเหมือนพ่อเลย เด็กก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าขาดสติเด็กคนนี้พอมาเจริญสตินะเดินจงกรมตามลมหายใจไอ้ความโกรธมันก็อันทุลาเบาบ า, บางแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าถ้าฉันจะไม่เป็นอย่างพ่อนี่ฉันก็ต้องมีสตินะรวมทั้งเห็นต่อไปได้วยว่าเนี่ย ต้องลดความโกรธนะความไม่พอใจพ่อเพ้่เดี๋ยวเขาได้คิดนะว่าถ้าไม่เป็นอย่างพ่อเนี่ยมันต้องทำให้ความไม่พอใจหรือความโกรธพ่อเนี่ยมันบรรเทาลงและสิ่งจะช่วยทำให้ความโกรธความไม่พอใจพ่อบรรเทาลงได้คือการเจริญสติรวมทั้งการแผ่เมตตาด้วย จริงถ้าเด็กเนี่ยเขาโตขึ้นต่อไปค่อยจะรู้ว่าที่พ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะปู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นมาก่อนและที่พ่อเนี่ยชอบดุด่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อพ่อเนี่ยก็เคยถูกปู่ทาอย่างนั้นนะเด็กโตขึ้นก็คงจะเห็นได้ เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนคือว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเด็กเนี่ยยังยังไม่ไม่มีวุฒิภาวะหรือว่ายังไม่มีปัญญามากพอสิ่งที่เขาเห็นได้ก็คือเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างพ่อเนี่ยเราก็ต้องรักษาใจเราไม่ให้โกรธไม่ใหนะ้ขุนมัวในตัวพ่อ ต้องมีสตินะสติที่จะทำให้รู้ทันนะความโกรธนะความไม่พอใจทั้งที่ไม่พอใจในตัวพ่อแล้วก็ไม่พอใจคนรอบข้างเช่นนะไม่พอใจน้องสาวจริงๆเนี่ยนะคนที่เติบโตมา กับผู้ใหญ่หรืออุปการีแบบนี้นะทุกคนนี่ก็มีความคิดเหมือนกันนะว่าฉันจะไม่อยากเป็นอย่างพ่อฉันตั้งใจว่าจะไม่เป็นอย่างแม่ที่ใช้อำนาจกับฉันแต่ว่าความอยากมันไม่พอนะก็คนที่หลายคนที่อยากนะ อยากจะไม่เป็นอย่างพ่อไม่จะเป็นอย่างแม่หรือไม่เป็นอย่างครูเนี่ยสุดท้ายก็กลับเป็นอย่างเขากลับเป็นอย่างคนที่ตัวเองโกรธคนที่ตัวเองเกลียดอนะแทบจะทุกลายเลยอันนี้มันแสดงว่าอะไแสดงว่าความอยากเดี๋ยวไม่พอนะมันต้องมีความเข้าใจด้วยเข้าใจเหตุปัจจัยว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ตัวเองไม่อยากจะเป็นหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างคนที่เราไม่ชอบเหตุปัจจัยที่ว่านี้ที่สำคัญก็คือตัวความโกรธความเกลียดนี่แหละเพราะว่าพอโกรธเกลียดแล้วนี่หรือปล่อยให้มัน ครองใจเนี่ยมันก็ง่ายที่ใจเราจะซึมซับรับเอาพลังลบนะจากคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งนะของจิตใจเราหรือกลายเป็นดิสัยส่วนหนึ่งของเราไปเลยหรือจะว่าเป็นหรื อ, เ ป, รอเป็นตัวของเราเลยก็ว่าได้ต้องเข้าใจเข้าใจ เ, นะเหตุปัจจัยตัวนี้แหละ แล้วก็ต้องหาทางที่จ ะ, ะรับมือนะหรือจัดการกับความโกรธ ท, ที่ว่าเนี่ว่าไปแลานี่เวลาความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นในใจเนี่มันร้ายเหมือนน่ากลัวกับคนที่เราโกรธหรือคนที่เราเกลียดด้วยซ้ํานะคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเนี่ยเขไม่สามารถจะ เปลี่ยนใจหรือว่าทำอะไรจิตใจเราได้แต่ถ้าเรามีความกลัวความเกลียดเมื่อไหร่แล้วปล่อยให้มันครองใจนะอ้มันก็สามารถทำให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารได้หรือว่าทำให้เราไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจอย่างเด็กคนนี้นะไม่อยากเป็นเหมือนเหมือนพ่อแต่สุดท้ายก็ ทำอย่างพ่อเลยเพราะว่าความโกรธนะโกรตน้องสาวแต่ที่จริงก่อนจะโกรตน้องสาวเนี่ยนะมันโกรตคนอื่นมาก่อนแล้วโนะดยเพราะโกรตพ่อที่ชอบดุด่าว่าตัวเองนี่ต้องเห็นให้ได้นะว่าเห็นโทษของความโกรธความเกลียดว่า มันทำร้ายเราอย่างไรและมันทำให้เรานี้ไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจได้อย่างไรหรือทำให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นอันนี้พอรู้แล้วเนี่ยน ะ, ะก็ต้องมีอู่บายนะที่จะรับมือความโกรธได้ตัวนี้ก็สำคัญนะเพราะว่า พอเห็นโทษของความโกรธแล้วและเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นหรือความเกลียก็ตามเนี่ยถ้าไปมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นการต่ออายุหรือเพิ่มพลังให้กับมันเช่นพอไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจความโกรธความโกรธไม่ดีพอมันเกิดขึ้นก็นนเลยไม่พอใจที่มันเกิดขึ้น หรือบางทีโกรธความโกรธนะไอการโกรธความโกรธเนี่ยนะหรือว่าโกรธซ้อนโกรธเนี่ยมันก็เป็นของดีเลยนะสำหรับความโกรธเนี่ยมันยิ่งมีพลังเข้าไปแย่ทั้งที่พอโกรธไม่พอใจความโกรธแล้วเนี่ยพยายามกดข่มมันยิ่งกดข่มมันยิ่งไปขับไล่สส่งมันนะแปลสีอาการ เกลียดชังมันนะมันยิ่งมีกําลังมากขึ้นและยิ่งมันแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถจะซึมซับรับเอาพลังลบหรือความกลัวจากคนที่เราไม่ชอบแทนที่จะเหินห่างแทนที่จะไม่เป็นเหมือนเขาก็กลายเป็นเป็นเหมือนเขา อ, อยังไม่ผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้ นันสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่โกรธความโกรธนะแต่ว่าแค่เห็นมันนะเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางหรือที่หรือว่ายอมรับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับหรือเห็นมันเนี่ยด้วยสติ อันนี้ท่านตินท่านท่านใช้คําว่าเนี่ยโอบกอดนะโอบกอดความโกรธด้วยสตินะสตินั่นแหละที่จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธอันนี้ท่านพูดเป็นเป็นเชิองอุปมานะไอเด็กคนนี้เนี่ยนะพอรั้ว่าตัวเองโกรธนะไม่ว่าโกรธใครนี่นยวิธีที่จะละมือความโกรธคือว่าไม่ใช่ทําตามความโกรธ หรือไม่ใช่กดข่มความโกรธนะแต่ว่าหันมาจเจริญสติในด้านหนึ่งสติก็ทำให้มีสมาธิทำให้ใจสงบเย็นแต่ในอีกด้านหนึ่งสติก็ทำให้เห็นความโกรธแล้วก็เห็นมันค่อย่อจางคลายไปพอความโกรธทุบเราไม่ใช่โกรธไม่ใช่เพราะแค่ความโกรธน้องสาวนะแต่ว่า ลนงความโกรธพ่อความไม่พอใจพ่อพอมันทุบเราแล้วเนี่ยพลังลบของพ่อเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้ามาสิงหรือสถิตยอยู่ในใจของเด็กคนนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถทำอย่างที่เขาตั้งใจไว้ได้คือจะไม่เป็นอย่างพ่อเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่จะไม่เกลียดพ่อ มันก็เหมือนกับเป็นการตัดวงจรนะวงจรแห่งความโกรธเพราะว่าความโกรธนี่มันมันสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะก่อนที่พ่อจะโกรธลูกเนี่ยปู่ก็เคยโกรธพ่อมาก่อนนะปู่เป็นอย่างไรพ่อก็เป็นอย่างนั้นแล้วที่ปู่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า พ่อของปู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันส่งทอดกันมาเป็นรุ่นๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะไม่ใช้สติไม่ไม่รักษาใจให้คลายจากความโกรธความเกลียดพ่อเนี่ยก็จะรับพลังลบไปจากพ่อแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นต่อไปเด็กคนที่พอมีพอมีครอบครัวมีลูกก็ ส่งต่อความโกรธไปให้ลูกมันเป็นเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมานะรุ่นต่อรุ่นเลยเนี่ยตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาไม่ได้เกิดขึ้นในคนรุ่นพ่อหรอกนะหรือคนรุ่นแม่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าทางเดียวที่จะตัดวงจรอย่างความโกรธเนี่ยไม่ให้มันส่งต่อไปสู่รุ่นต่อไปคือการที่มีสติรักษาใจไม่ให้ความโกรธมัน เผาลนแล้วก็บงการใจแล้วก็จัดการให้ความโกรธนีมันทุเลาเบาบางอันนี้คือสิ่งนะที่เราต้องเรียนรู้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้สึมซับรับเอาความโกรธหรือสิ่งไม่ดีมาจากบุปการ์หรือ ย, อย่างเดียวนะกับคนรอบข้างที่เราโกรธที่เราเกลียดเนี่ยเราไม่ชอบเขาเราไม่ชอบทิสัยเขา เราไม่ชอบการกระทําหรือคําพูดของเขาแต่ิ่งเราโกรธเราเกลียเขามากเท่าไหร่เนี้ยเราก็ยิงซึมซับเราเอาการกระทําและคําพูดของเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนีโดยมีความโกรธความเกลี ย, เ, ยเป็นสื่อนะเป็นตัวเปิดช่องให้ใจเนี้ยมันซึมซับรับเอาสิ่งไม่ดีจากคนรอบข้างางั่นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ฝ่าธรรมเนี่ย ต้องรักษาใจดีนะอย่าให้ความโกรธความเกลียดนี่มันครอบงําใจมันเกิดขึ้นได้เราห้ามไม่ได้แต่เรารักษาใจไม่ให้มันครอบงําได้ด้วยการรู้ทันมันมีสติเห็นมันว่าถ้าปล่อมันคลองใจนี่เราก็จะเป็นเหมือนคนที่เราเกลียดเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เราโกรธซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นคนใกล้ตัว ไอ้เป็นคู่รักสามีภริยาที่ทะเลาะเบาแวงกันก็ได้เราต่างเรียนแบบกันเรียนแบบนี่เรียนแบบในทางที่ไม่ดีนะยิ่งไม่ยิ่งโกรธใครเกียดใครก็ยิ่งเรียนแบบเขาเอาเขาเป็นครูเขาดา่าเราเราก็ด่าตอบเขานินทาเราเราก็นินทาใส่เขาใส่ร้ายเราก็ทำบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความโกรธความเกียดเนี่ยมันเป็นสื่อเป็นสะพานที่ทาให้ นิสัยไม่ดีของคนรอบตัวเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของเราได้เราต้องตัดวงจรนะไม่ให้มันเผยแพร่ออไปด้วยการที่เรามีสติรู้ทันไม่ปล่อยความโกรธความเก็ียดของใจอันนี้พูเทานีนะกลับ